แม้เขาเป็นเพียงผู้รับจ้างเช่ารถจากเจ้าของหากินไปวันวันหนึ่งไม่อาจเทียบชั้นได้กับเจ้าของรถทั้งหลายที่รายรอบอยู่บนถนนนั้นแม้เป็นเพียงรถแท็กซี่ที่เก่าคร่ำคร่าก็ยังสามารถทำเงินให้เท่าแก่เจ้าของรถได้เขาต้องเช่ารถขับด้วยความจำเป็นเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้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 ผมชอบดูท่าเดินของท่านและได้แอบถ่ายภาพไว้ขณะที่ท่านเดินผ่านแม้เวลาจะผ่านไป20กว่าปีแล้วภาพก็ยังสดใสเราก็เพิ่งอัดมาใหม่ๆผู้ใดต้องการได้ไว้บูชาผมก็ยินดีจัดให้ด้วยความเคารพ ก, กรุณาส่งที่อยู่มาให้ผมเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ตามความต้องการรายละเอียดใดที่ผมยังไม่ทราบหรือเรื่องต่างๆที่ผมยังไม่ชัดเจนหากนํามาเล่า ก็จะเป็นบาปจากเหตุผิดพลาดทางข้อมูลฉะนั้นเรื่องราวทุกอย่างต้องชัดเจนต้องเป็นข้อมูลที่ได้จากหลวงตาหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นอื่นที่ไม่ได้คาดหวังเพื่อให้ข้อมูลไม่ขาดตกบกพร่อง